ธานิยะปูชา2551รวมเรื่องและคำเทศคำสอนของหลุงพ่อพุทธฐานิโยรวบรวมและเรียบเรียงโดยดรดาราวันเด่นอุดงเสียงอ่านโดยโจโฉ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 ดูประวัติและธรรมบรรยายหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยที่ w w w tha th nyo i dot com t h a n i y o dot com ตอน